ผมไม่เข้าใจความหมายคุณครูคุณเข้าใจคุณครูไหมครับครับผมเข้าใจท่านดีครับผมเข้าใ г о добра คุณครูนาสตาลนิตซ์คุณเข้าใจคุณครูไหมครับ <Vous S 1> ครั บ, รบผมเข้าใจท่านดีผดู้ค น, ค, นคุณเข้าใจผู้คนไหมครับ <Vous S 1> ไม่ผมไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาสักเท่าไหร่ครับ Не, я разумею их не вельми добро เพื่อนหญิงแฟนแสบรูกะคุณมีแฟนไหม У вас есть แสบรูกะครับผมมี так ลูกสาวดัชกาคุณมีลูกสาวใช่ไหม乌วาสยุสดัชกาไม่ผมไม่มีลูกสาวเนียเนียม